ร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะพระพุทธภาษิตยะซาสาวาปริกขีนาอาหาเรจานิสิโตสุญญโตอ น, นิมิตโตจะวิโมโ ค, โคยะสะโคเจเรอากาเซวะสกุลตานังประดันตัสสะดุรุณวียังคำแปลผู้ใดสิ้นอาสวะแล้วไม่ค้่องในอาหารด้วยตัณหา ผู้ใดมีสุญญาตาวิโมกและอ น, นิมิตะวิโมกเป็นโคจรร่องรอยของผู้นั้นตามได้ยากเหมือนรอยเท้าของนกในอากาศอธิบายความอาสะวะคือกิเลสหมักดองอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์ทำให้มืดมนมัวเมาท่านกล่าวไว้สีประการคือหนึ่งกามาสะวะอาสะวะคือกามสองภวาสะวะอาสะวะคือภพสาทิฏฐาสะวะ อาสวะคือทิฏฐิสี่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชากามคือความใคร่และสิ่งที่นาใคร่พบคือความเป็นและสิ่งที่เป็นรวมถึงความพอใจในการเกิดเพราะยังเพลินอยู่ในกามอยากเกิดมาเสพกามอีกไม่อยากพรากจิตไปจากกามทิฏฐิในที่นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิกล่าวคือความเห็นผิดส่วนอวิชชาคือความไม่รู้ กว่ามืดบอดตอกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งสี่ประการนี้เป็นอาสวะกิเลส ท, ที่หมักดองอยู่ในจิตใจของมนุษย์ยากที่จะทำลายถ่ายถอนได้ข้อว่าไม่คล่องในอาหารด้วยตัณหานั้นพึงทราบอาหารสี่อย่างก่อนหนึ่งกวลิงการอาหาร 2. ผัสสอาหารสมโนสันเจตนาาหารสี่ วิญญาณอาหารกวัลิงการาหารนั้นหมายถึงข้าวและน้ําที่อาศัยบริโภคเลี้ยงร่างกายภาษาอาหารหมายถึงภาษะต่างๆเช่นภาษะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมโนสัญเจตนาอาหารหมายถึงความตั้งใจความจงใจความหวังอันช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ได้วิญญาณอาหารความรู้ ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆอันทําให้มีความรู้สึกชุ่มชื้นที่อธิบาอย่างนี้เพื่อให้ง่ายให้คนทั่วไปพอคิดเข้าใจได้อาหารที่กล่าวถึงในที่นี้หมายเอากวริลกาอาหารแตกประการเดียวคือไม่คล่องไม่ติดในเรื่องอาหารการกินไม่ให้รสอาหารครอบงำไม่บริโภคด้วยการติดในรสแต่บริโภคด้วยวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ร่างกายดารงอยู่ได้ไม่ต้องมีทุกเวทนาเพราะความหิว ส่วนวิโมกสองได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่สามของวรรนี้บุคคลผู้สิลอาสวะสี่แล้วไม่ติดในอาหารมีวิโมกชื่อว่าเป็นผู้มีร่องรอยอันคล้ายๆตามหาได้ยากเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อพระทับอยู่ที่เวลุวนารามเมืองราชคลึกทรงปราร พ, พระอนุรุทธเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้วันหนึ่ง พระเถระเห็นว่าจีวอที่ชายอยู่เก่าแล้วจึงเที่ยวสแสวงหาผ้าทำจีวอที่กองอยาเยื่อคือกองขยะเป็นต้นในชาติที่สามนับจากอัตภาพนี้ท่านมีพัญญาคนหนึ่งบัดนี้หญิงนั้นเป็นเทพธิดาอยู่ในชั้นดาวดึงชื่อชาลินีนางได้เห็นพระเถระเที่ยวหาผ้าอยู่ก็นำผ้าทิพสามผืนยาวผืนละสิบสามอกกว้างสี่อก คล้ายผ้าสารีของหญิงอินเดียใช้ทั้งนุ่งและห่มไปวางไว้ที่กองหยาบเยื่อแห่งหนึ่งให้ล่อต่ชายผ้าคือกรบผ้าไว้ด้วยกองหยาบเยื่อนั้นเองให้ส่วนชายผ้าล่อออกมาพอเห็นได้ทั้งนี้เพราะรู้ว่าหากนาไปถวายโดยตรงท่านจะไม่รับเพราะท่านถือผ้าบังสุกุลพระเถระเห็นผ้านั้นจึงถือเอาโดยคิดว่าเป็นผ้าที่คนสละแล้ว อาการอย่างนี้ท่านเยกว่าถือเอาโดยบางสกุลสัญญาในวันทาจีวอนพระเถระทั้งหลายในวัดเวฬุวันมาช่วยทำกันมากมีพระมหากัสปะพระสารีบุตรพระอานุนเป็นต้นแม้พระศาสดาเองก็เสด็จมาช่วยร้อยได้เข้าในบวงเข็มคือสนเข็มฝ่ายเทพธิดาชาลีนีเห็นดังนั้นจึงไปชกชวนชาวบ้านให้ทาอาหารมาถวายพระชาวบ้านมาก อาหารก็มากเหลือเฟือเมื่อพระฉันเสร็จแล้วข้าวต้มข้าวสวยเหลือเททิ้งเป็นกองใหญ่พระทั้งหลายพาการตีเตียนพระอนุรุัตว่าเลี้ยงพระเพียงเท่านี้ไม่เห็นจําเป็นจะต้องให้ญาติโยมนําอาหารมามากมายอย่างนั้นเห็นจะต้องการอวดว่ามีญาติโยมมากกระมังพระศ า, าสดาทรงทราบแล้วจึงตรัสบอกพีสูตทั้งหลายว่าอาหารที่มากมายอย่างนั้นไม่ใช่เพราะการบอกของพระอนุรธธุตธ่ แต่เป็นเพราะอนุภาพแห่งเทวดาพระผีนาศเช่นอนุรุธะย่อมไม่ทำเช่นนั้นย่อมไม่กล่าวกระถาพาดพิงถึงอาหารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาสิตว่ายะซาสวาปริกขีนาเป็นอาธิมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้น